สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้ผมขอใช้พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งพงศษัตรบทที่19ข้อที่10จนถึงข้อที่18ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเอลียาทูนตอบว่าข้าพรงกระตือรือรน้นทุ่มเททำงานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยพระชนะของพระองค์ด้วยดาบเหลือฆ่าพระองค์เพียงคนเดียวในบัดนี้พวกเขากำลังพยายามฆ่าฆ่าพระองค์เสียด้วยพระองค์ตรัสว่าจงออกไปยืนต่อหน้าองค์พูะบุญเจ้าบนภูเขาเพราะองค์พระบุญเจ้ากาลังจะเสด็จผ่านแล้วมีลมพายุกล้าพัดประทะภูเขาอย่างรุนแรงทำให้หินแตกเป็นเสียงๆต่อหน้าองค์พระบญเจ้า แต่องคุณเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในลมนั้นหลังพายุก็เกิดแผ่นดินไหวแต่องคุณเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในแผ่นดินไหวนั้นและภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟลุกแต่องคุณเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในไฟนั้นหลังจากไฟมีเสียงกระซิบอันอ่อนโยนเมื่อเอริยาได้ยินเขาก็ยกเสื้อคลุมขึ้นปิดหน้าและออกไปยืนอยู่ตรงปากธรรม มีเสียงหนึ่งกล่าวกับเขาว่าเอยาเอย๋ยเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เขาทูลตอบว่าข้าโปรงกระเตือ้อล้นทุ่มเททำงานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยพชนะของพระองค์ด้วยคมดาบเหลือข้าพระองค์เพียงคนเดียวและบัตนีพวกเขาได้กาลังพยายามฆ่าข้าพระองค์อีกด้วยองค์ผูเจ้าตรัสกับเขาว่า จงกลับไปตามทางที่เจ้ามาแล้วไปยังถิ่นกันดารแห่งดามัสกัสเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นจงเจิมตั้งฮาซาเ e ลให้เป็นกษัตริย์แห่งอารำมทั้งเจิมตั้งเยฮูบุตรนิมซีให้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลแล้วเจิมตั้งเอลิชาบุตรชาฟัดจากอาเบลเมโฮลาให้เป็นผู้เผชินะสืบต่อจากเจ้าผู้ใดหนีรอดจากคมดาบของอาซาเฮลจะถูกเยฮูฆ่า ผู้ใดหนีรอดจากคมดาบของเยฮูจะถูกเอลิชาฆ่าแต่เราจะเก็บรักษาคน 7,000 คนที่ไม่ได้คุกเข่ากราบไหว้หรือจูพระบาอันไว้ในอิสราเอลพี่น้องครับในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าเอดิยานั้นได้อยู่ในความซึมเศร้าอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยอยู่ในความท้อแท้อยู่ในภาวะที่หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจ ภาษาอังกฤษเช้คำว่าเบิร์นเอา์และเมื่อเขาได้มาอยู่ใต้ต้นซากหรือจูมิเนเปอร์ทรีนั้นพระเจ้าได้ส่งเลี้ยงดูเขาด้วยอาหารและน้ำก็คือขนมปังต้นร้อนและน้ำเหยือกหนึ่งหลังจากที่เอลิยาได้รับประทานแล้วก็ล้มตัวลงนอนทูตของพระเจ้าก็มาปลุกเขาและก็บอกว่าให้ลุกขึ้นรับประทานอาหารเพราะการเดินทางครั้งนี้นั้นจะเกินกาลังของท่าน เอลียาก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มทําให้มีกําลังวังชาพอเดินทางเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนจนมาถึงโฮเลปภูเขาของพระเจ้าและพระเจ้าก็ปรากฏกับเอลียาครับเพราะวเจนะของพระเจ้าก็มาถึงเอลียาบอกว่าเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่แท้จริงแล้วพระเจ้านั้นได้ทรงเตือนสติผู้คนต่างๆมากมายในทางปีตั้งแต่อาดัมมาแล้วครับว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าทําอะไรอยู่ คำถามต่างๆเหล he right. ่านี้ครับไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าต้องการให้เราที่จะได้ใช้เวลาใครครวนถึงตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่หลายครั้งทีเดียวผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องใช้เวลาใคครวนคนที่รับใช้พระเจ้านั้นต้องใช้เวลาใคครวนว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาอยู่ในสานภาพไหนเขาอยู่ที่ไหนเอลียาก็ ได้ระบายความในใจความรู้สึกส่วนตัวของเขาว่าเขานั้นได้กระตือหรือล้นทุ่มเททํางานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพแต่ชนอิสราเอลนั้นได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ดูเหมือนว่าการงานของเขานั้นล้มเหลวแม้ว่าเขาจะได้ผ่านประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่พระเจ้าทรงนําเขาแต่ด้วยการที่เขาได้มองมองอะไรครับมองสถานการณ์แวดล้อมมองดูแล้วก็เข้าใจไปเองว่า ไม่มีใครอยู่ฝ่ายเขาเลยเพราะว่าท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยพระชนะของพระองค์ด้วยดาบเหลือฆ่าพระองค์เพียงคนเดียวเหลือฆ่าพระองค์เพียงคนเดียวและบัดนี้พวกเขากําลังพยายามฆ่าฆ่าพระองค์อีกด้วยนั่นหมายความว่าความโลนลี่ความรู้สึกหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกเดียวดายนั้น ทำให้ผู้เผยพระชนะหรือผู้รับใช้พระเจ้าประกาศกของพระองค์นั้นได้มีความรู้สึกว่าโลน e l y ความรู้สึกที่อยู่เพียงคนเดียวเหลือฆ่าพระองค์เพียงคนเดียวเท่านั้นและท่านพูดอย่างนี้ถึงสองครั้งสองคราครับก็คือในข้อที่10และในข้อที่14ถามว่าคนกลัวตายไหมกลัวตายกันทุกคนครับผู้รับใช้ของพระเจ้าก็กลัวตายเหมือนกันเขากําลังฆ่ากําลังพยายามฆ่าฆ่าพระองค์เสีย แต่พระเจ้านั้นได้ตอบเขาในข้อที่11โดยพระองค์นั้นได้ทรงเสด็จผ่านเขาแค่เสด็จผ่านเท่านั้นครับพี่น้องแค่เสด็จผ่านเท่านั้นลมพายุกล้าพัดปะทะภูเขาอย่างรุนแรงและหินนั้นแตกเป็นเสี่ยงๆต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่นั่นไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าครับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในลมองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในพายุองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในแผ่นดินไหว องค์พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในไฟลุกแต่ปรงได้กระซิบเบาๆด้วยเสียงอ่อนโยนเอลิยาได้ยินเขาก็ยกเสื้อคุมขึ้นปิดหน้าและออกไปยืนอยู่ตรงปากถำ้ำมีเสียงกล่าวกับเอลิยาว่าเอลิยาเอย๋ยเจ้ามาทําอะไรอยู่ที่นี่เป็นคําถามซ้ําอีกรอบหนึ่งเอลิยาก็ตอบด้วยความซึมเศร้าอีกรอบหนึ่งแต่ในที่สุดครับ องค์ผูเนเจ้าได้ตัดคับก็จงกลับไปตามทางที่เจ้ามาแล้วไปยังถิ่นกันดารแห่งดามัสกัสเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นให้เจิมตั้ง3มคนครับคืออาซาเฮลให้เป็นกษัตริย์แห่งอารามเจิมเยหูให้เป็นกษัตริย์อิสราเอลและเจิมเอลิชาบุตรชาฟัดพระเจ้านั้นได้ให้คนของพระเจ้านั้นมีมิชชั่นใหม่กลับไปเจิมผู้นําครับเจิมผู้นําให้คนนี้ ดูแลตรงนี้ให้คนนี้ดูแลอีกเรื่องหนึง่งและก็ให้ที่สำคัญก็คือว่าให้เอลีชาที่จะเป็นสาวกที่ติดตามเอลียาไปและสร้างเขาและในข้อที่18ครับพระเจ้าบอกว่าเราจะเก็บรักษาคน 7,000 คนที่ไม่ได้คุกเข่ากราบไหว้หรือจูบพระบาอันไว้ในอิสราเอลพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและพระเจ้าก็ได้ให้พันธกิจใหม่ให้กับเอลียา พระเจ้าตอบคําอธิษฐานว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวครับมีเจ็ดพันคนที่เป็นคนของพระเจ้ามีเจ00ันคนที่เป็นคนของพระเจ้าที่ไม่ได้คุกเข่ากราบไหว้หรือจูบพระบาอันพี่น้องครับมีคนมากมายที่รักพระเจ้าอยู่แต่เขาอาจเป็นพลังเงียบเขาอาจเป็นผู้ที่ไม่ได้แสดงตัวอะไรแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะนําเขาเพื่อที่จะทําให้ผู้รับใช้ของพระเจ้านั้น ได้มีกําลังใจขึ้นมาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงอยู่เบื้องหลังการงานของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบให้เขาทานั้นพระเจ้าสถาปนาไว้เพราะว่านั่นคืองานขององค์พระเจ้าที่ถูกทําตามนามัสไทยของพระองค์เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเจ00ันคนที่ไม่ได้คุกเข่ากราบไหว้หรือจูบพระบาอันเป็นคนของพระเจ้าที่พระเจ้ายังหลงเหลืออยู่ในชนชาติอิสราเอลฝ่ายเหนือพี่น้องครับ หลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้ให้เอริยานั้นได้เรียกเอลิชาการทรงเรียกโดยผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นทำให้เกิดเอริชาผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งครับแต่พี่นั้งครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอถอยหลังกลับมาที่ภูเขาโฮเรบนั้นซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้เคยพบกับโมเสสมาก่อนและพระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติของพระเจ้าแก่ประชาชน แน่นอนครับพระเจ้าประทานกำลังเอลียาเป็นพิเศษในการเดินทางเอลียาอดอาหาร40วัน40คืนเหมือนกับที่โมเสสได้ทำก่อนหน้านี้และเหมือนกับที่พระเยซูทรงทำหลังจากนี้ด้วยหลายสัติต่อมาเราพบว่าโมเสสเอลียาและพระเยซูได้มาพบกันที่บนภูเขาในลูกาบทที่9ก้าข้อยี เอลิยานั้นเขาคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยังคงสัตว์ซื่อแต่พระเจ้าได้สำแดงว่ามีอีกทั้งเจ็ดพันคนพี่น้องครับการมีชัยชนะในการพนันขันต่อที่ภูเขาคาเมลแม้ว่าจะได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่แต่เอลิยาก็หนีเอาชีวิตรอดขณะที่โดดเดียวท้อใจเขาลืมไปว่าคนอื่นๆก็ยังมีอยู่ครับที่สัตว์ซื่อต่อพระเจ้าในชนชาติที่ชั่วร้ายนี้พี่น้องครับ เราเคยถูกทดลองให้คิดว่าเราอาจจะเหลืออยู่คนเดียวที่ยังสัตซ์ซื่อต่อหน้าที่แต่อย่าสงสารตัวเองครับการสงสารตัวเองนั้นจะบั่นทอนกาลังของเราในการทําดีจงมั่นใจว่าคนอื่นก็ยังสัตซ์ซื่อในการเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เหมือนกันและทําหน้าที่ของพวกเขาแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครก็ตามและการกระซิบด้วยเสียงที่อ่อนโยนของพระเจ้านั่นคือพระสุรเสียงของพระเจ้า เขาตระหนักว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสำแดงพระองค์อย่างอาศัศจรรย์และเต็มไปด้วยฤทธิเดชเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ามองหาพระเจ้าในสิ่งใหญ่ๆครับแต่เราอาจจะไม่พบพระองค์ได้เพราะพระเจ้ามักจะปรากฏในเสียงกระซิบที่อ่อนโยนในความเงียบของหัวใจที่ถ่อมใจลงเราคอยฟังพระเจ้าหรือเปล่าครับเราแยกตัวออกจากเสียงที่อึกระทึกขึ้นโคลงและกิจกรรมที่วุ่นวายในชีวิตและฟังการทรงนำอย่างสงบ และถ่อมใจลงพระสุรเสียงของพระเจ้าอาจจะมาถึงในเวลาที่เราไม่คาดฝันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าเป็นเวลาแห่งความสงบเป็นเวลาแห่งความสุขส่วนตัวกับพระองค์เป็นเวลาที่เราจะใคร่คว้านพระจนะของพระเจ้าและให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นได้ทรงสอนเราผ่านทางการใข้่ควรนนี้ผ่านทางการคิดพิจารณา คิดคำหนึ่งถึงพระวจนะของพระเจ้าอย่าปล่อยให้ใจของเราล่องลอยไปตามความรู้สึกของตัวเองแต่ให้เราคิดหันกลับมาโฟกัสอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าแล้วประสุรเสียงของพระเจ้าก็จะมาถึงพี่น้องในทุกๆเช้าว่าให้เราจะทําอย่างไรถึงจะเป็นที่พอพัฒน์ไทยของพระเจ้าอามน